ในอุรคาโสดคาถาที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุใดตัดราคะได้ขาดพร้อมทั้งอนุสัยไม่มีส่วนเหลือเหมือนบุคคลลงไปตัดดอกประทุมที่งอกขึ้นในสะฉะนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คล่ำคล่าแล้วฉะนั้นตัดราคะพร้อมอนุสัยเหมือนอะไร เ ห, เหมือนตัดดอกบัวนะเหมือนถอนดอกบัวฉะนั้นในหน้า32มีหัวข้อถามว่าคาถานี้ใครกล่าวกล่าวที่ใดกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะเหตุใดข้าพเจ้าจาักประกาศวิธีนี้แล้วจักทำการอธิบายเนื้อความแห่งพระคาถานั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นาพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแหละบดช่างทองคนหนึ่งซึ่งเป็นอุปถาของพระสารีบุตรเทระได้บวดในสำนักของพระเถระพระเทระก็คิดว่าอาสุภกรรมฐานเหมาะสำหรับคนหนุ่มทั้งหลายจึงได้ให้อสุภะกรรมฐานแก่พระพิสุหนุ่มนั้นเพื่อกำจัดราคะจิตแม้สักว่าเสพคุณในกรรมฐานเหล่านั้นก็ไม่มีคือไม่เกิดแก่พระพิสุเหล่านั้นท่านจึงได้บอก นะความเป็นไปนั้นแก่พระเถระว่ากรรมฐานนี้ไม่เป็นอุปการะแก่ผมคือไม่เหมาะกลับจริตเลยนะนะแทนที่เจริญอสุภาพไปแล้วจิตจะสงบใจจะสบายกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยเรียกว่าเหมือนกับให้ยาไม่ตรงโรคฉะนั้นนะนะพระเถระก็เลยคิดว่ากรรมฐานนี้เหมาะสําหรับคนหนุ่มทั้งหลายก็เลยให้กรรมฐานนั่นแหลซ้ําอีกสี่เดือนผ่านไปอย่างนี้ ย้ำอยู่นั่นแหละนะว่าเอาเธอบอกวิธีการโดยวิจิตพิสดารเท่าที่สุดเท่าที่จะบอกได้ภิกษุนั้นก็ไม่ได้คุณวิเศษแม้สักอย่างหนึ่งจากนั้นพระเถระก็ได้กราบทูลถึงเรื่องภิกษุหนุ่มนั้นถวายแล้วนะคือกราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสาริบุตรการรู้กรรมฐานเป็นที่สบายแก่ภิกษุนั้นไม่ใช่วิสัยของเธอ ภิกษุนี้เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าจะพึงแนะนําคือพระภิกษุรูปนี้เป็นพุทธเวไนหมายถึงว่าผู้ที่จะสงเคราะห์หรือปโปรดให้พระภิกษุรูปนี้บรรลุได้มีอยู่ผู้เดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็เนรมิตดอกประทุมสีประพาสสนคือเลื่มเลื่อมพรายพายด้วยริดประทานดอกประทุมสีประพาสสนในมือของภิกษุนั้นแล้วก็ตรัสว่าเอาเถิดภิกษุเธอจงเอาก้านดอกประทุมนี้ปักลงบนเดินทราย ที่ร่มเงาหลังวิหารและจงนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปหาดอกประทุมนั้นระเลิกภาวนาอยู่ว่าคือให้ท่องอยู่ว่าโลหิตังโลหิตังะนะสีแดงสีแดงแดงแดงแดงนั่งดูแต่ะนะักเรียกว่าปากว่าตาจ้องดูคิดนึกอยู่อย่างนั้นแหละทราบว่าภิกษุรูปนี้เคยเป็นช่างทองอย่างเดียวติดกันถึงห้ารยชาติเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่านิมิตแห่งสีแดง เหมาะสำหรับภิกษุนั้นก็ได้ประททรงประทานโลหิตะกรรมฐานแก่ภิกษุนั้นคือไม่เหมาะกับสุภะแต่เหมาะกับกสินภิกษุนั้นก็กระทําตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำเพียงชั่วครู่เท่านั้นก็ได้บรรลุแม้ฌานสีที่นั้นโดยลำดับปรารบฌานกีฬาโด ย, น, ยนัยะเมียนุโลมปฏิโลมเป็นต้นก็คือเจริญกรรมฐานมีสีแดงเป็นอารมณ์จนได้ฌานหนึ่งาม เวลาก็เข้าสี่สามสองหนึ่งอะเข้าหนึ่งสามแล้วก็เข้าสองสี่แล้วก็เข้าอ่ะนะสี่สองแล้วก็สามหนึ่งอะไรเงี้ยสลับไปสลับมาได้หมดเลยอย่างชำนาญในการเล่นกีฬาชานลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานว่าขอดอกประทุมนี้จงเหี่ยวอ่ะนะดอกบัวสีทองนั้นให้เหี่ยวไปเลยภิกษุนั้นออกจากฌานเห็นดอกประทุมนั้นซึ่งเหี่ยวแห้งไปเป็นสีดําก็ได้อนิจจสัญญาว่า โรบที่ประพสสนงดงามอย่างนั้นก็ยังถูกชรา ย, ย่ำยีแล้วต่อจากนั้นท่านก็ได้นำเอาดอกปรทุมที่เหี่ยวแห้งนั้นน้อมเข้ามาภายในน้อมมาพิจารณาว่าจะกล่าวไปใายถึงอัตภาพนี้เลาก็ดูสิดอกบวนเนระมิดก็ยังเหี่ยวแห้งเหี่ยวเฉาเลยแล้วกายนี้ล่ะอีกยี่สิบปีจะเป็นยังไง น, น้อไหนน อ, อีกยี่สิบปีจะเป็นไงดีพี่ต๋ออีกห้าสิบปีเฉาแน่เลยนะ เหี่ยวแห้งแนะ่ต่อจากนั้นท่านก็ได้เห็นภพสามปรากฏดุจไฟเนี่ยติดทั่วไปแล้วเห็นภพทั้งกาลมาภพรูปภพอารมณ์ภ พ, พนี่แหละไฟไฟคืออะไรไฟ11บอ็ดกองนะไฟคือราคะไฟคือโทสะ ไ, ไฟคือโมหะแผดเผาอยู่ไฟคือชาติชรา ม, มรณาโซกาปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตแผดเผาอยู่ก็เห็นความไม่เที่ยงก็เห็นถึงความแปรไปแห่งภพสาม พิจารณาต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์เนนะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใครจะมีอำนาจที่แท้จริงในภพสามนอก็ในที่ไม่ไกลจากภิกษุนั้นผู้เห็นอยู่อย่างนี้มีสะบวอยู่กอนหนึ่งคือไม่ไกลจากตรงนั้นนะก็มีสะบวปกติท้ายวัดทั่วไปจะมีสะบวอยู่แล้วพวกเด็กๆก็ลงไปในสะนั้นหักดอกประทุมทั้งหลายแล้วก็นามากรองไว้ ดอกประทุมในน้ำเหล่านั้นปรากฏแก่พิกษูนั้นดุจเปลวไฟที่ไหม้ป่าอ้อหรือเหมือนกับไฟไฟที่ป่าไม้ออหมาไฟนี่ลุกท่วมไปหมดเลยเห็นดอกบัวที่กองเหมือนกับเห็นเปลวไฟทั้งใบของดอกบัวเหล่านั้นก็หล่นลงปรากฏแก่พิษสูเหล่านั้นตก เ, เหมือนตกลงไปในเหวส่วนยอดของดอกบัวที่ทิ้งไว้บนบกก็เหี่ยวแห้งไปแล้วปรากฏดดุจถูกไหมถูกไฟไหม ก็คือสรุปว่าอนิจจานุปัสสนาของท่านมีกําลังมากครั้งนั้นเมื่อพิสูจนั้นเพ่งพินิษธรรมะทั้งปวงตามกระแสธรรมะนั้นอยู่นะเพ่งพินิษฐอานะโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตานุปัสสนาแล้วก็นิพิทานุปัสสนานั้นพบสามก็ปรากฏเป็นสภาพหาที่พึ่งพิงไม่ได้เหมือนเรือนถูกไฟไหมอันอาทีนวานุปัสสนานิพิทานุปัสสนานี้มีกําลังมาก และก็สามารถเจริญอนุปัสนาได้จนถึงระดับพลวั้ววิปัสนาแล้วต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับอยู่นะพระคันธกุตีนั่นเองก็ทรงแผ่พระรสมีแห่งพระสรีระไปเบื้องบนแห่งพิสูจนนั้นรัศมีนั้นก็ท่วมทับใบหน้าของพิสูจนนั้นเต็มที่ลําดับนั้นพระพิสูรูปนั้นก็นึกกำหนึงอยู่ว่านี่อะไรกันก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าราวกับว่าเสด็จมาประทับยืนอยู่ใกล้ เรีว่าพุทธานุภาพเหมือนพระองค์นี้ปรากฏตัวอยู่เฉพาะหน้าเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะประคองอัญชลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบสปายะของพิสูจน์นั้นก็แสดงธรรมเรียกว่าแสดงธรรมะที่เป็นสปายะว่าว่าอะไรพิสูจใดตัดราคาได้ขาดพร้อมทั้งอนุสัยไม่มีส่วนเหลือเหมือนบุคคลลงไปตัดดอกประทมซึ่งงอกขึ้นบนอ ที่งอกขึ้นในสะฉะนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคล่าแล้วฉะนั้นอธิบายว่าโยราคะมุทชิกาอาเสสังเป็นต้นราคะราคะคืออะไรท่านบอกว่าแคนแปลก็น่าดูว่าแปลว่าความรัญจวนไอ้รันจวนนี่แปลว่าอะไรจริงแปลยากยากนะรัญจวน สำนวนนชาววังนะ่าดูเลยนะมันเข้าใจยากนะราคาก็คือความติดความคล่องนั่นแหละคาว่าราคานี้เป็นชื่อราคาในกาลมคุณห้าก็คือความติดใจในรูปความติดใจในเสียงติดใจในเกล่นติดใจในรสติดใจในโพตพะนั่นแหละบทว่าอุทชิกาก็คือตัดคือหักทำให้พี่หน้าจริงอยู่นะักประพันธ์ทั้งหลายย่อมปรารถนาคาที่เป็นวัตมานาวิพัฒ ว่าชินทติแม้สําหรับคําทั้งหลายที่เป็นอดีตกาณอันนี้ก็เป็นกฎไวยากรณ์อย่างหนึ่งว่าโดยมากพูดถึงปัจจุบันแต่หมายถึงอดีตอเสสังได้แก่ไม่มีส่วนเหลือก็คือพร้อมทั้งอนุสัยไม่มีส่วนเหลือหมายความว่าตัดราคะได้หมดสิ้นราวกับว่าดอกบัวนี่งอกขึ้นแล้วในสระหมายความว่าราวกับว่าถอนดอกบัวในสระฉะนั้นถามว่าอธิบายว่าอย่างไรพูดมาซะเยอะแยะเลยเนี่ย ตอบว่าเปรียบเหมือนเด็กเหล่านี้ลงสู่สะเด็ดดอกปทุมซึ่งงอกในสะฉันใดภิกษุใดยอย่างลงสู่โ ล, โลกสันนิวาตคือไตรธ า, าตุการมาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนี้แล้วเข้าถึงนัยยะอย่างนี้ว่าคือมองเห็นเลยว่ า, เ, าเห็นเห็นขันธาตุอยตนะก่อนว่าเมื่อขันธาตุอยตนะเนี่ยมันเกิดเนี่ยเป็นที่เกิดของอะไรเป็นที่เกิดของไฟคือราคะาโทสะและ โมหะก็เลยเห็นว่าไฟที่เสมอด้วยราคะไม่มีเราย่อมเล่าร้อนด้วยกามราคะจิตของเราเนี่ถูกกามราคะเผาไหม้อยู่สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดถูกกามราคะยอมแล้วย่อมตกไปสู่กระแสะแห่งกิเลสทั้งหลายดดมะลงมุมตกไปลงสู่สายใหญ่ที่ตนเองกระทำไว้ฉะนั้นไฟที่เสมอด้วยราคะไม่มีบอกว่าถ้าร า, ราคะแผดเผาในใจเนี่ยนะนั่งนิ่งๆสบายๆได้หม ถ้าความต้องการเนี่ยนะสมมติว่าเป็นความต้องการที่รุนแรงเนี่ยนะหิวเต็มที่เอาไงกันอยากทานอาหารเต็มที่นี่อยู่นิ่งๆได้ไหมยากความต้องการไม่ว่าต้องการสีต้องการเสียงต้องการเปลิ่นต้องการรถต้องการผอทผ้าหรือต้องการเรื่องอะไรก็ตามเถอะโดยมากก็ไฟคือราคาก็เผาลวกหรือเผาสักเลี่ยมเลยนะันผู้ที่ถูกราคาก็เร่าร้อนด้วยการมาราคาเร่าร้อนด้วยความต้องการ จิตของเราก็ถูกกามาราคะเผาไหม้อยู่มันนะมันเผาอะไรนะไฟเย็นมันเผาเนี่ยนะต้นไม้เนี่ยก็ต้นกล้วยเนี่ยนะต้นกล้วยนี่เหี่ยวเฉาไม่ใช่เหี่ยวเฉาเพราะความร้อนอย่างเดียวนะหน้าหนาวถ้าหนาวจริงๆเนี่ยต้นกล้วยยังเฉาจะตายให้ได้เลยต้นกล้วยจะตายเพราะว่าหนาวจัดเนี่ยนะทางภาคเหนือนี่เห็นชัดบางช่วงปีไหนที่หนาวอากาศเกือบติดลบเนี่ยนะหรือว่าติดลบเนี่ยต้นกล้วยเนี่ย เฉาเลยนะหมดสภาพเลยอ่ะเพราะฉะั้นความเย็นก็ถูกไฟเผาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเผาเนี่ยไม่ใช่ว่าโทสะจะเผาอย่างเดียวแม้แต่ราคะก็เผาใจเหมือนกันเนี่ยนะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเลยบอกว่าสัตว์ใดก็ตามที่ถูกราคะแผดเผาหรือราคะยอมเนี่ยนะก็ตกลงไปตามกระแสะแห่งกิเลสกระแสะแห่งความเศร้าหมองนะบอกว่าถ้าราคะนาหน้า กายทุจริตวาจีทุจริตมโนโทุจริตก็ติดตามไปไหลไปตามกระแสแห่งราคะนั่นแหละเหมือนอะไรเหมือนแมลงมุมตกไปสู่สายใหญ่ที่ตัวเองทำเอาไว้ฉะนั้นดูก่อนอาวุโสอันนี้ยกมาจากที่อื่นว่าบุคคลผู้ถูกราคาย้อมแล้วมีจิตถูกราคาครอบงำแล้วก็ย่อมฆ่าสัตว์บ้างคนที่มีความต้องการเนี่ยนะคิดหรือว่าจะไม่ฆ่า ความโลภอย่างเดียวเป็นเหตุให้ฆ่าได้ไหมบอกได้ความโลภเป็นเหตุให้รักทรัพย์ได้ไหมก็ได้ประพิษผิดในกามได้ไหมได้ความโลภเป็นเหตุให้พูดเท็จพูดคำหยา พ, พูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดเป็นต้นได้ไหมบอกสบายมากเพราะนั้นความโลภเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งอกุศลกรรมบทได้ทุกข้อเป็นปัจจัยได้ทุกข้อเพราะฉะนั้นควรถอนราคะทีละน้อยทีละน้อยถอนได้ยังไงก็ถอนด้วยการพิจารณาโทษของ ราคะนั่นแหละว่าราคะมีโทษอย่างไรวัตฏะในภูมิสามที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเพราะราคะเป็นอย่างเหนียวเนี่ยนะเพาะขึ้นที่เพาะในนรกขึ้นก็เพราะมีราคะที่เพาะในวัตฏะในภูมิสามที่งอกเงยมาแบกกองทุกข์ก็เพราะราคะนั่นแหละเป็นปัจจัยพันธะพิจารณาพิษภัยว่าที่สุดของราคะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กองทุกข์เนี่ยนะก็จะเห็นโทษใช่ไหมเห็นโทษที่เกิดจากราคาเนี่ยนะ คันราคาเปรียบเหมือนเชื้อโรคที่ที่มันนำมาซึ่งความเจ็บป่วยในตอนท้ายนะป่วยแค่ไหนอ่ะนะป่วยที่รักษาไม่หายด้วยนะมีชาติไหนที่รักษาหายจริงบ้างอะ่ะเกิดขึ้นมาก็ทุกชาติเนี่ยรักษาไม่หายแม้แต่ชาติเดียววะงั้นวันวิธีที่จะละราคาหนึ่งละได้ด้วยการพิจารณาโทษของราคาสองด้วยการสํารวมทั้งหลายสังวรทั้งหลายมีศีละสังวรอินรีสังวร สติสังวรญาณสังวรวิริยะสังว ร, ว ร, งวรขันติสังวรนั่นแหละแล้วก็ละด้วยต่ทางข้าประหารเวทขมปนาประหารสมุทเฉทประหารหรืออีกในหนึ่งบอกว่าละด้วยสําคัญว่าไม่งามในวัตถุทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณท่านก็บอกว่าให้เจริญอสุภกรรมฐานในวัตถุที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองหมายคำว่า พิจารณาสิ่งที่มีวิญญาณครองก็คือมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยโดยผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตายเป็นต้นเนี่ยนะส่วนไม่มีวิญญาณครองก็คือพวกอสุพะทั้งหลายพิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ที่ป่าชา้าเป็นซากศพตายไปแล้วสอง ว, น ว, นวนันสามวันสี่วันนะเป็นซากศพที่ขึ้นเขียวอืดพองเป็นต้นเนี่ยนะเขว่าไปพิจารณาไปนี้พิจารณาจนเห็นพิษภัยของราคะทั้งมวลแล้วก็ตัดะนะ คือว่า น, น้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดก็ตัดกิเลสที่เหลือด้วยอนาคาเมมัคแล้วก็ถอนกิเลสที่ยังเหลือจากอนาคาเมมัคนั่นแหละด้วยอรหัตตมัคภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้โดยประการที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วในตอนต้นนั่นเองเหมือนงูลอกคราบเก่าที่คล่ำคราไปฉะนั้นมันก็ในคาถานี้ก็จบลงที่พระอรหันต์เหมือนกันที่บอกว่าคาถาที่ว่า ตัดราคะได้ขาดพร้อมทั้งอนุสัยไม่มีส่วนเหลือตัดราคะได้ไม่ให้มีส่วนเหลือเหมือนกับอะไรเหมือนถอนดอกบัวว่างั้นเถอะเห็นเขาถอนดอกบัวถอนดอกบัวนี่เพื่อถอนอะไรเพื่อถอนสายใหญ่ที่ติดเอาไว้ในในบัวฉันใดก็ตัดราคาในวัตตาในภูมิสามฉะนั้นผู้ที่ตัดราคาได้ทั้งหมดไม่มีส่วนเหลืออย่างนี้ก็เรียกว่าละวัตะในภูมิสามเหมือนงูที่ลอกคราบที่ขํคาคขาฉะนั้น ตอนที่เราอยู่ในวะตาะเราก็บอกอว่าวตะนี่ดีดีแต่ถ้าออกจริงๆแล้วจะรู้ว่าเออน่าจะออกตั้งนานแล้วอย่างไงนะ